ประแสะโลกีชีวิตดังปันพบพันรอยดีมีสุขปนฉันน้นเมื่อทวนในใจดวงนี้ที่เหงาเหตุมีปลงและปล่อยวางบำเพ็ญเพื่อประชา อย่าล้มปล่อยตามอารมณ์ส ง, ง, งบอดทนจิต ด, ดวงนี้ ประชาชนอย่าล้มปล่อยตา